สวัสดีครับครับท่านผู้ฟังดูยัง channel ที่เคารพวัน channel มีเรื่องเล่ากายทิพย์พญานาคมาเล่าให้ฟังครับซึ่ง ได้กล่าวถึงเรื่องราวของเมืองบาดาลและนาคที่พบไว้ด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไม่เว้นแม้แต่บ้านเมืองหรือ เป็นเมืองคู่ขนานกับเมืองมนุษย์มีเพียงกายทิพย์ขั้นสูงเท่านั้นถึงจะเข้ามายังทิพย์วิมานในเมือง หรือแปลงไม่มีกลังวันกลางคืนไปตามสภาวะในเวลานั้นนั้นๆนานานั้นพร้อมความ ส่วนคัมภีร์โบราณที่กล่าวไว้ถึงการที่มนุษย์จะเข้าไป เพิ่มพวกวกวกเศ่ANSข้างไปด้วยธรรมชาติที่มีทราบของชน tray ยังถมีส substrate for republic เราวิ่งคุณเหคอย Carbonika wachดล่า check guys พระอริยสงฆ์ที่มีพลังและสมาธิจิตในฌานชั้นสูงและเคยไปเยือนในดิน เพราะพวกเขาทำบุญไว้มากจิตอันเป็นกุศลส่งให้พวกเขา ผู้เขียนไปนมัสการท่านที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีผู้เขียนทราบว่าท่านเคยนั่งกรรมฐานทอดจิต และจังหวัดหนองคายจากนั้นในพรรษาที่ 2 ท่านก็ยังคงทุติองค์และปลีก ไพรบริเวณร้ายโรอบนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านดังนั้นจึงไม่น่าจะมีใครรู้ว่าท่านมาพำนักอยู่ในป่าอยู่ในถ้ําแบบ เปิดออกดูเห็นเป็นข้าวอย่างหนึ่งสีออกเหลืองอมเขียวกลิ่น แล้วอาตมาก็เข้ามาเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตาและกรวดน้ำวันๆจนดื่นรู้สึกเหมือนมีเสียงอะไร แล้วก็มีคนหนุ่มเมื่อกลางวันเดินออกมาจากแสงสว่างนั้นอาตมา อาตมากำลังเขาเลยบอกว่าที่กรรมฐานและมาหาสมุนไพรกับของวิเศษจิตของอาตมาเพื่อๆก่อน เพราะเรื่องพวกนั้นอยู่นอกเหนือคําสอนของพระศาสดาเขาก็เลยบอก บ้านช่องของโยมอยู่ที่ไหนล่ะไกลจากถ้ํานี้มากเอาอาตมารับนิมนต์เขาแล้วก็ต้องลุกตามเขา ออกจะดูทางเข้าเล็กกว่าถ้ำที่อาตมาพำนักอยู่เขาเดินนําหน้าเข้าไปพลางบอกอาตมาว่าถ้า ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเขากลายเป็นงูตัวใหญ่มีขนาดลำตัวที่ยาวมากๆสีเขียวแก่ลงไปเลื้อยอยู่ที่พื้นค่อย จนมาเขาหยุดันมามองอัตมาเหมือนจะบอกให้อัตมาตามเขาไปอย่างเดิมเข้าก็มีงูขนาดใหญ่ทางอัตมาเห็นขนาดตัวของงูใหญ่สามตัวนั้นตรงนั้นมีหมอกบาง อาตมาเห็นเขาผุดหายไปจากม่านหมอกนั้นก็สงสัยว่าเขาหายไปไหนก็พอดีมีมือมาแตะอาตมาทําเอา กระผมเกือบจะมาปรากฏร่างให้พระคุณเจ้าเห็นทั้งแบบนั้นแต่กลัวเชื่อ เขาก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่านั้นกระผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปพบผู้ใหญ่ของกระผม แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากสุมทุมไม้รอบๆลานกว้างและ ก็โปรดคุยกับอาตมาเลยมาบอกพวกเรากระผมเลยส่งคนไปดูพอเห็นเป็นพระคุณเจ้ากังวานและดูสงบเขาว่าพวก อย่างที่พระคุณเจ้าคิดดั่นแหละครับพวกเราเป็นพญานาค คงมีร่างกายแตกต่างจากคนของท่านที่มาตามอาตมาอยู่บ้างล่ะกระมัง อาตมาเห็นร่างของเขาใกล้ๆก็คราวนี้ลำตัวเขามีเกล็ดอมเหลืองบ้างเขียวอ่อน หรืออะไรบางอย่างอาตมาเรียกไม่ถูกอาตมารีบผลก็แล้วกันหัวนั้นมีสีแดงอมส้มจะ แต่หน้าแปลกที่ร่างกายของเขาแทนที่จะมีกลิ่นหรือสัตว์จำพวกงูนั้นแต่ไม่ใช่เลยเพราะร่างกาย บางต้นสีดำหรือสีน้ำเงินแก่ก็มีรูป ไม่มีขึ้นที่ไหนมีแต่ที่นาคพิภพดังนั้นเมื่อเราไปนิมนต์พระคุณเจ้าก็เลยอิ่มได้เขา อัตมาแล้วจะไหนว่าแล้วไฉนดังนั้นไม่มีใครเคยเห็นถ้ำนี้ กระผมก็ออกไปปรากฏกายให้เห็นว่าเป็นการรบกวนก็กลัวมากออกไปปรากฏกายให้เห็นให้ เทศน์อยู่นานเท่าไหร่อาตมาจําไม่ได้รู้แต่ว่านานมากก็แล้วกันแต่แปลกที่อาตมาไม่เหนื่อย ไม่ผิดศีลน้ำที่ว่านั้นสีแปลกๆเหมือนสีอาตมากลัวว่าจะเป็นเหล้าเหลือเกินฉันก็พบว่ารสและกลิ่นเขาบอกอาตมาว่านั่นน้ำ อาตมาพำนักอยู่ที่หน้าผิพพในราวสักคา 6 วันได้ก็ลาเขาออกมาก่อนจะออกมาอาตมาก็ อยู่ในน้ำแต่ไฉนอาตมาไม่รู้สึกว่าอยู่ในน้ำเลยแต่ก็ ส่วนอาตมาก็มาเจริญ 2-3 วันก็ทุดงออกจากป่าโยมวันนั้นนั้นหลวงปู่ปุ่นท่านกรุณาเล่าเรื่อง พวกเรียนหนังสือฤทธิ์พญานาคที่เราหยิบยกนํามาเล่าให้ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย